ยี่สิบเจ็ดชิวาชีวในโรงแรมการมาถึงที่โรงแรมคุณมีห้องว่างไหมคะอี่โรงแรมดิฉันจองห้องแล้วคะ่ะ ดิฉันชื่อมิ l เลอร์ค่ะ s e ดิฉันต้องการห้องเดี่มีวามอรหยค่ะฉันมีความต้อ l กาดียวค่ะฉันต้องการห้องเดี่ฉันต้องการห้องยวค่ะฉันม a r วามต้อง่ฉันคต้องการห้องค่ะห้อง้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Hvad koster værelset per nat? d i k a Jeg vil gerne have et værelse med bade. d i k a Jeg vil gerne have et værelse med brusebade. Dikan k a r du se v g r e mig k e t Må jeg se værelset? ที่นี่มีโรงรถไหมคะอ่ a ถ้าอิงที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะเอ่อถ้า p ิงเพิงสเที่นี่มีเครื่องแฝกไหมคะเอ่อถ้าอิดีดิฉันเอาห้องนี้คะ่ะก็ต์ฉัน t นี่กุญแจห้องค่ะ Here'er หน่อยแลนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Here'er มินแบกเอเชบริการอาหารเช้ากี่โมงคะ Vore er der morgen? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ Vore er der frokost? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะนน